วันนี้ก็รู้สึกยินดีนะที่คนพิการเนี่ยจะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่มาเป็นอุปกรณ์ให้พระธรรมก็จะมาเป็นกัลยาณมิตรมาพูดคุยให้แง่คิดให้กำลังใจเกี่ยวกับเรื่องการนำเอาธรรมะมาใช้กับชีวิตการทำงานเมื่อ ปลายเดือนที่แล้วเนี่ยโร ง, งพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตก็เชิญไปที่นั่นเขามีคอร์สปฏิบัติธรรมอยู่สองวันก็มีคุณหมอสุภกิจสนใจเรื่องการปฏิบัติธรรมก็เลยเชิญผมจากกรุงเทพไปช่วยพูดให้แง่คิดให้กับผู้ที่เข้าปฏิบัติธรรมเขาก็สนใจกันดีมีคุณพยาบาลมีบุคคลภายนอก แต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือคนสมัยเนี้ยหันมาสนใจกัตธรรมะมากอาจจะไม่ใช่เป็นเพราะว่าร่างกายป่วยไข้ยอย่างเดียวหรอก เ, เพราะจิตใจนี่ก็ป่วยไขย้ก็เลยหันมาสนใจธรรมะมากกว่าคนสมัยก่อนนี้จะมีแต่มาสนใจธรรมะไปเมื่ออายุมากแล้วตอนอายุน้อยๆอาจจะมีภูมิต้านทานดีนะ แต่เดี๋ยวนี้อายุน้อยภูมิต้านทานทางด้านจิตใจมันเสื่อมถอยลงไปคือภูมิต้านทานทั้งความทุกข์เสื่อมถอยลงไปพออายุมากขึ้นนี่ก็เลยเกิดปัญหาบางทีหมกกำลังใจหมดเรี่ยวหมดแรงที่จะเผชิญหน้ากับอารมณ์ต่างๆที่มากระทบรวมทั้งทางด้านร่างกายที่ไม่ปกติการป่วยไข้หรือความชรา ที่นีก็เช่นเดียวกันนะ<ม>ก็ได้เชิญมาพูดในหัวข้อกายป่วยแต่ใจไม่ป่วยจริงหัวข้อเนี้่มันเป็นอาชีพของผมเลยนะแต่สมวนมากเขาจะไม่พูดไม่เชิญที่ว่ากายป่วยแต่ใจไม่ป่วยเขาจะมักให้หัวข้อว่ากายพิการแต่ใจไม่พิการบางที่ก็เชิญไปพูดเรื่องกายพิการแต่ใจไม่พิกล ความพิกลนปนความพิปติทางด้านจิตใจผมก็เลยตอบไปว่าเออแต่ความพิกลมักจะมีอยู่ใคนในกายไม่พิการ <c oughs> นะคนที่ใจพิกลเนี่ยสร้างปัญหามากนะสร้างปัญหากับตัวเองหาเรื่องให้ตัวเองต้องเป็นทุกข์มีความคิดมีความซึมเศร้ามีความฟุ้งซ่านมีความสงสัยแล้วก็มีความซ้อมหมอง นั่นคือใจที่พิกลนังนั้ น, นวันนี้ก็มาพูดในหัวข้อกายป่วยแต่ใจไม่ป่วยที่จริงก็เป็นอย่างนั้นนะคนเรานี่เมื่อเวลามีความป่วยไข้ามาเยี่ยมเยียนซึ่งความป่วยไข่เนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายใครก็ต้องป่วยทางนั้นนะแม้แต่พระฤๅษีอย่างอาพาธในหลวงอย่างประชวน คนจนก็ป่วยคนรวยก็เจ็บโน้ไปเรื่องธรรมดาไม่มีใครหลีกหนีพ้นอาการเหล่านี้ไปได้แต่ทำไมเวลาร่างกายป่วยไข้เราใจเป็นพุกเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเราแบ่งแยกระหว่างตายกับจิตล่ะเรื่องทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เรื่องของคนป่วยเป็นเรื่องของคนทุกคนที่ต้องป่วยทงนั้น ไอ้ที่เป็นทุกข์เพราะว่าใจเนี่ยมกัยกจะไปหมกมุ่นคลุ่นคิดวิตกกังวลไปต่างๆนาน า, นาจะเสุอยดูว่าคนที่มีร่างกายที่ป่วยไขย้แล้วใจเป็นทุกข์เนี่ยบันเกิดจากสาเหตุหลายอย่างไม่ใช่เป็นเพราะร่างกายป่วยอย่างเดียวหรอกเป็นเพราะสิ่งภายนอกด้วยนะเวลากายป่วยเดียวเดียวบางทีเราลืม ลืมความป่วยไข้าทางร่างกายแต่ใจนี่มันไม่ลืมมันคิดปรุงแต่งอินมันจะหายไหมเนี่ยซึ่งไม่เกี่ยวกับความป่วยทางกายมันจะหายไหมเราต้องเสียเวลาเราไม่ได้ทํางานจะมีเงินรักษาหรือเปล่ากลัวมันจะตายหรือเปล่ามันคิดเกินความป่วยทางกายไปแล้วอันนี้แหละมันเพิ่มภาระให้กับ ต้องป่วยไปด้วยเนี่ยคือใจป่วยใจไม่ปกติหาความสงบสุขไม่ได้คนที่กายป่วยและใจป่วยนั้นจะมีความรู้สึกอยู่ตัก4สีห้าอย่างสะเกิดจากตัวเองนะอาศัยประสการณ์รดับแรกก็คืออารมณ์จะไม่ดีเคยเจอเนมะื่อคุณพยาบาลคนกล้มักจะอารมณ์ไม่ดีงุดหงิดไม่ค่อยมีเหตุผลอนะ่ะกเลยเป็นคน เจ้าอารมณ์เจ้าอารมณ์ที่จริงไม่ใช่เจ้าอารมณ์นะถ้าเป็นเจ้าอารมณ์มันต้องเหนืออารมณ์เลยอันนี้เป็นธาตุอารมณ์มากกว่าเป็นคนเจ้าอารมณ์แล้วก็เป็นคนที่น้อยใจนะน้อยใจต้องการกําลังใจนะคนไข่เป็นคนน้อยใจชอบประชดตัวเองไม่ ก, กินข้าวไม่ ก, กินยา ที่จริงก็อยากนะอยากกินแต่ว่าประชดตัวเองเพื่อเรียกร้องความสนใจบางทีอยากร้องไห้บางครั้งอยากตายแล้วรอดไปเลยเป็นความคิดชั่วบูบอันนี้เกิดจากการที่สังเกตตัวเองตั้งแต่อยู่ที่โรงพยาบาลกลางแล้วประสบการณ์จากโรงพยาบาลกลางเนี่ยผมไม่เคยศึกษาเรื่องจิตใจไม่เคยสาวธรรมะแต่อาการนี้มันรุนแรงมาก แต่มีการปกปิดอยู่ภายใน<อ>เขาเรียกหน้าชื่นอกตมอาศัยความอดทนเพื่อปกปิดอารมณ์นี้วันนี้จิตใจมากมายเน่จะถามคุณหมอชนินคุณหมอชนินเป็นคุณหมอรักษาผมครั้งแรกที่ผมเริ่มต้นพิการเปลี่ยนจุดยืนมาเป็นจุดนอนจืดผมมีจุดยืนนะตอนนี้หาจุดยืนไม่เจอเจอได้จุดนอนจุดนอนจุดนั่งนี่มันจุดใหม่ แต่มันเป็นจุดที่ดีนะแล้วคุณหมอชนิน เ, นเป็นผู้ที่ทำกายภาพผมทํากายภาพแล้วก็สอนวิธีการใช้ชีวิตในสภาพที่ร่างกายพิการเป็นไงซึ่งผมหูอืาา้อตาลายหมดแล้วไม่อยากจะรับรู้รับทราบไม่อยากรับรู้เรื่องความจริงแต่คุณหมอก็พูดเรื่อยอาศัยที่ว่าเคยเรียนวิชาเอกพละโทรสู่ศึกษาถ้าพูดเรื่องสรีระกายวิภาคเราก็ฟังได้ คีเนเซโอโลยีล้วก็ฟังได้ฟิซิโอโลยีก็ฟังได้พระเี้เกี่ยวกับวิชาโทรถูกสาท่นเลยท่านผู้ก็พยายามใส่พยายามบอกวิธีการกายภาพเพื่อจะให้เราเอาไปใช้ทำต่อที่บ้านวันนี้ท่านมาทักจำผมได้ไหมผมว่าคร่าวๆเกยเกิดร่วมชาติกับท่านเค <c oughs> ยเกิดร่วมชาติกับท่านที่ไหนก็ไม่รู้นะท่านบอกว่าหมอชนินอ๋อถ้าหมอชนินรู้จักเลย นักกายภาพติดตัวเ้ิมผอมมีคล่องแแค่ว่องไวทํางานได้สารพัดอย่างภาษาเหนือ เ, เรียกตะเปะตะตะได้ทุกเรื่อง <c oughs> เดี๋ยวนี้ก็เช่นเดียวกันนะมาเจอบุคลิกเจอรอยยิ้มเจอกาครคล่องแแค่ว่องไวโอ้ใช้ได้จะได้จำได้นั่นแหละอาการจับสบการณ์ที่ไม่เคยรู้จักตัวเองเลยเริ่มรู้จักตัวเองเมื่อเริ่มป่วยแต่ก่อนไม่เคยสนใจตัวเองสนใจในสิ่งภายนอก มอสสิ่งภานอกจะทํำยังไงจะไปแก้ขายคนอื่นอยากให้คนอื่นได้ยินใจเราก็มีความต้องการมากมายลืมดูตัวเองว่าเรานี่มีสภาพอย่างไรแต่พอความป่วยไข้พอเปลี่ยนจุดยืนมาเป็นจุดนอนปั๊บมันมีเวลาดูตัวเองคนเราพอเดินได้ยืนได้วิ่งได้เนี่ยไม่ค่อยได้ดูตัวเองอะพอนอนา น, านานเนี่ยมันไปไม่ได้ มันจะเป็นต้องมาดูตัวเองไปไม่ได้กลับมาดูตัวเองโอ้เราปัญห า, ญหาที่จิตใจปัญหาที่จิตใจไม่ใช่ที่ร่างกายเลยสรุปเลยว่าร่างกายเนี่ยมันเป็นธรรมชาติธรรมดาแม้เราไม่ป่วยเราก็ต้องตายต้องเจ็บอยู่แล้วนะพอยุกมากสังขารเสื่อมโรคแทรกจิตเนี่ก็สุนเต้ามันเป็นธรรมดาเลยนะเนี่ยเรื่องของจิตมันเริ่มต้นจากสังขารเสื่อมก็ได้ ก็เริ่มรู้ว่าออสภาพปัญหาคือที่จิตใจเนี่ยเป็นสำคัญเนี่เรียกว่าใจป่วยใจเป็นทุกข์คือใจป่วยหาความสงบสุขไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่จะเป็นต้องร่างกายป่วยนะที่ใจจะป่วยด้วยไม่จาเป็นนะแม้ร่างกายไม่ป่วยถ้าใจยังทุกข์ยังโกรธยังเศร้ายังซึมยังสงสยัยยังเซงพวกนี้มีโอกาส หรือว่าเป็นโรคใจป่วยได้เหมือนกันทั้งนั้นแหละเสมอเหมือนเราทุกๆคนแล้วถ้าหากว่าเราในสภาพที่ร่างกายป่วยแล้วถ้าเรารักษาใจเอาไว้รักษาใจไว้ก่อนแล้วก็ทำใจเป็นทำใจให้เป็นเราจะรู้ว่าการป่วยนั้นมีเฉพาะร่างกายเท่านั้นจิตใจไม่ได้ป่วยด้วยเลยใจเป็นพิงแพร ผู้รับรู้รับทราบในอาการของกายหน้าที่ของใจคือรับรู้รับทราบว่ากายเนี่ยป่วยแล้วถ้าใจรักษาใจได้ทําใจได้แล้วเนี่ยอาการทางกายเนี่ยมันก็จะทุเลาลงบางทีไม่ต้องรักษาทางกายนะกายมันก็ดีขึ้นได้เพราะใจมันดีเพราะกายกับจิตเนี่ยเขาทํางานสัมผัสสัมพันธ์กัน กายป่วยรักษาได้ง่ายกว่าใจป่วยถ้าเมื่อร่างกายป่วยใจป่วยซะแล้วเนี่ยการรักษาท้าร่างกายเนี่ยจะยากมากยาไม่กินข้าวไม่กินภูมิต้านทานความทุกข์มันรุนแรงมันเป็นโรคดื้อยาไปทั้งหมดเลยบางทีไม่รับฟังด้วยนะพยายามพูดดีๆไม่รับฟัง เ่เพราะใจปวดแล้วถ้าไม่เราฟังเราจะมีความรู้ในการรักษาตัวเองได้อย่างไรกายเนี่ยเราเลือกไม่ได้แต่ใจเนี่ยเลือกไม่ทุกข์ก็ได้ใจเลือกไม่ป่วยก็ได้นั้นสิ่งที่กวัวเลือกเยคือเลือกทางด้านจิตใจเอาไว้ก่อนเพราะใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นผู้นำใจเป็นนายกายเป็นเบาถ้าใจไม่ดีเสียแล้วเดี๋ยวเบาก็ต้องลาออก <c oughs> นายไม่ดีนะ เบาก็ต้องลาออกแล้ะเวลาคนที่กายป่วยแล้วใจป่วยด้วยก็เป็นเพราะว่าที่สําคัญนะเพราะว่าขาดสติขาดสติพอขาดสติแล้วเนี่ยมันก็ปล่อยจิตใจให้ถลําเข้าไปอยู่ในอาการของกายเลยเข้าไปอยู่ในอาการปวดเจ็บทุกข์นอนไม่หลักกับกายไปด้วยใช่ไหมได้ป่วยทั้งกายป่วยทั้งใจ ทั้งที่ถ้าเราเข้าใจดีแล้วเนี่ยมันเรื่องของกายแท้ๆการป่วยไข้ก็ดีความแก่ก็ดีความตายก็ดีเป็นเรื่องของกายใจไม่ต้องไปทุกข์ก็ได้กายแก่ใจก็ไม่ต้องแก่พอกายแก่ใจแก่ด้วยแล้วว่าเราขาดสติไปรวมกับกายแก่แล้วเวลากายตายใจก็ตายไปด้วย <c oughs> มันก็ไม่รอดไง น, นั้นถ้ามีสติมันจะรักษาใจเอาไว้เมื่อมีสติรักษาใจนานๆเนี่ยสติเนี่ยมันเป็นธา ต, เธาตุเป็นธาตุธรรมะสามารถพัฒนาตัวเองทาให้ใจเนี่ยรู้ความจริงรู้ความจริงในภาษาธรรมเรียกปัญญาคือรู้ความจริงในตัวเรามันก็จะปล่อยวางแล้วทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้น หลักสาคัญนั้นนอกจากจะใช้วิธีคิดแล้วยังไม่เพียงพอเพราะแค่วิธีคิดเนี่ยบางทีจิตมันไม่ยอมน ะ, ร, ะรู้จำรู้จักรู้ตามคนอื่นเขายังไม่รู้แจ้งรู้จริงถ้าใช้รู้แจ้งรู้จริงเนี่ยมันต้องฝึกสติฝึกสติเพื่อเกิดสมาธิเกิดปัญญาเนี่ยตัวสงคัญเ่ยต้องฝึกสติ เป็นผู้นาเอาปัญญามาใช้แก้ปัญหาชีวิตต้องมีการปฏิบัติปฏิบัติก็เป็นภาษาส่หน่อยแต่จริงก็คือการมารู้สึกตัวเราเองอย่างเช่นว่าการสุสติเนี่ยมาอยู่กับตัวเราเนี่ยจะรู้ว่าเราเนี่ยมีอยู่คนที่นั่งอยู่แล้วจิตใจเลื่อนลอยเลื่อนลอยไปคิดเนี่ยอันนี้จะว่าไม่มีสตินะตายอยู่นี่ใายอยู่นู่น อันนี้ยไม่ได้มีสติถ้ามีสติแล้วสติจะผูกโยงโยงจิตมาอยู่กับตัวเราเมื่อจิตอยู่กับกายเนี่ยจิตไม่เลื่อนลอยเนี่ยความทุกข์จะไม่ค่อยเกิดนะไอ้ที่จิตเลื่อนลอยไปเนี่ยมันจะพาไปทุกข์มากมายนั้นถ้าเรามีความรู้สึกตัวคือตัวสติรู้สึกตัวรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เนี่ยจิตมันก็จะไม่หลงไปกับอารมณ์ที่มันคิดนึกปรุงแต่งฝึกสติ วิธีการรักษาคนไข้ที่ให้เขาเป็นทุกข์น้อยลงขณะที่ร่างกายป่วยไข้นอกจากผู้ให้กาลังใจแล้วต้องปลุกเขามีสติให้แล้วก็รู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันเขาไม่ค่อยมีความทุกข์กับปัจจุบันเท่าไหร่หรอกเขามีความทุกข์เพราะเรื่องความคิดเรื่องอนาคตเรื่องความกังวลถ้าปลุกสติแล้วชีวิตจะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับการพูดคุยอยู่กับการใช้ชีวิต ที่เป็นชีวิตจริงๆและจะเริ่มเข้าใจตัวเองจะมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันคนที่อยู่กับปัจจุบันกับการทํางานกับการใช้ชีวิตเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ฝึกสติอยู่กับปัจจุบันให้รู้ตัวว่าตัวเรากําลังมีอยู่นะ <c oughs> ไม่ได้ไปไหนอยู่กันเนี่ยกับตัวเราเมื่ออยู่กับตัวนานๆวิสติสติเนี่ยมันจะทำที่เป็นผู้ดู เป็นผู้ดูจิตกับสติเป็นสิ่งเดียวกันมาดูอะไรดูกายที่มันป่วยดูกายที่มันเคลื่อนไหวแม่แม่ป่วยก็มีการเคลื่อนไหวมีการหายใจมีการกระพริบตาสติจะดูกายแบบนี้ดูแบบเป็นคนดูเป็นคนดูไม่ใช่เป็นคนเป็นจากความป่วยไข้ของร่างกายพื่อเป็นผู้ดูนะ สติฝึกบ่อยๆจะกลายเป็นผู้ดูนะดูกายที่มันป่วยดูกายที่มันเคลื่อนไหวดูกายที่มันทุกข์ต่างๆนะมันจะเกิดการแยกระหว่างจิตกับกายไม่ใช่สิ่งเดียวกันละสติเป็นผู้ที่แยกซึ่งถ้าเราไม่มีสติมันจะรวมว่ากายป่วยก็เป็นเราป่วยกายเจ็บแล้วก็เราเจ็บกายทุกข์ก็เป็นเราทุกข์ทั้งหมดเลยถ้าฝึกสติแล้วจิตจะเป็นอิสระ ไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับด้านร่างกายและมันจะเริ่มรู้ความจริงของกายนะโอ้กายนี่แม้เราไม่ป่วยเป็นโรคนี้ก็ตามมันก็ต้องป่วยเป็นโรคอื่นต้อป่วยอยีกวันยังข้ามล่ะขณะที่เรานั่งอยู่เนี่ยเราปวดเมื่อยเนี่ยการขยับตัวเนี่ยมันป่วยนะมันมีความทุกข์บีบคั้นมีความทุกข์บีบคั้นว่าเราเนี่ยนั่งอยู่นิ่งๆไม่ได้เนี่ยบอกถึงความเป็น อานิจจังความไม่เที่ยงของกายมันต้องมีการเคลื่อนไหวดีแล้วถ้ามันปวดมันเมื่อยเป็ียนยาบทเลยเคลื่อนไหวไปขยับไปนั่งในท่าใหม่ต้องขอบคุณมันนะที่มันยังปวดยังเมื่อยมันปกติแล้วอย่างผมนี่ไม่ค่อยเมื่อยหรอกนั่นอย่าเปตุกทำไมเราถึงเมื่อยจังทำไมปวดเขา่าดีแล้วที่ยังปวดเขา่านี่ผมปวดเข่าไม่ได้ไม่เคยปวดเขา่า ตั้ง่ิการมาสามสิบปีไม่รู้จะปวดเข่าเป็อย่างไรเพราะมันไม่มีความรู้สึกเนเนิฟังต่างๆนี่มันเสียหมดละไม่รู้สึกนั้นอย่าไปเป็นทุกข์เมื่อมันปวดเมื่อย <c oughs> สบายใจได้ว่าร่างกายในปกติแล้วปกติเด็กดีกว่านายกำพลไม่ปกตินั่งเท่าไหร่ก็ไม่เมื่อยแล้วไม่เมื่อยไม่ใช่ดีนะมันปิดธรรมชาติแล้วมันจะมีอาการแทรกหลายอย่างซึ่งเราไม่รู้ตัว ปรเดี๋ยวเราก็เมื่อยเดี๋ยวเราก็หนาวเนี่ยหนาวห่ผมผ้าเราหนาวถ้าไปหนาวออกแกล้งนอกมันก็ร้อนเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็ถ่ายหนักท่ายเบาโอ้ร่างกายมันป่วยตลอดเวลาใช่ไหมมันมีความทุกข์ที่บีบคั้นซึ่งอยู่เฉยๆไม่ได้เร่วมเป็นอนิจจังมีความเปลี่ยนแปลงนี่จะจะทํานะเนี่ยเข้าถึงตรงนี้ได้แล้วก็เราจะ บ, บรรลุธรรมเลยก็ได้ เราไม่สามารถจะบังคับบัญชามันได้เราอยากนั่งนานๆไม่ให้เมื่อยมันก็อยู่ไม่ได้มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่นิ่งๆไม่ได้บังคับบัญชาอะไรได้ไม่จริงจังเวลาป่วยอยากให้มันหายมันก็ไม่หายถ้าไม่รักษาไม่รักษาก็ไม่หายไม่อยากแก่มันก็แก่ไม่อยากอ้วนมันก็อ้วนอยากผอมมันก็ยังอ้วนไม่อยากตายมันก็ต้องตายเนี่ยธรรมชาติของการมันบีบคั้นตลอเวลาเลยนั่นแหละคือพุก มันป่วยอยู่เรื่อยๆแหละเดี๋ยวเราก็ต้องหายใจเข้าหายใจออกการหายใจเข้าหายใจออกตหเป็นการแก้ทุกข์ของร่างกายซึ่งถ้าไมหายใจเราก็อยู่ไม่ได้นะเราต้องกระพริบตาอยู่เรื่อยๆทำไมเพราะว่ามันมีความเครียดมันต้องมีการขยชับตัวมันสติจะเห็นนะอ๋อทุกข์ของกายนะแต่เป็นทุกข์ของกายไม่ทุกข์ของใจ ทุกของกายคนที่มีสติก็ต้องให้รู้ไว้เฉยๆอย่าไปต่อต้านถ้าคิดต่อต้านใจจะเป็นทุกซ้อนทุกของกายทันทีเลยอย่าไปต่อต้านแต่จะแก้ไขอย่างไรก็แก้ไขไปแก้ไขไปตามห น, าน้าที่โดยที่ไม่ต้องทุกข์ก็ได้ขยับตัวโดยที่ใจไม่ต้องทุกข์ก็ได้หิวข้าวโดยที่ใจไม่ต้องทุกข์ก็ได้เนี่ย่ไหม มันรักษาใจได้เพราะสติรู้ทันจิตทันใจรู้ความจริงของกายว่าเป็นธรรมดาธรรมดาของกายเป็นอย่างนั้นเองให้รู้ไว้เฉยๆแล้วรู้รับท ร, รบาบแล้วก็แก้ไขไปตามอาการมันหายก็หายไม่หายก็ไม่เป็นไรแม้กายไม่หายใจก็ไม่ทุกข์เพราะรู้ความจริงอ้อธรรมดาเป็นอย่างนั้นเองมันต้องเริ่มต้นจากศึกษาตัวเราก่อนใช่ไศึกษาตัวเราก่อนเราจรึงจะบอกข้อมูลนี้ให้กับคนอื่นได้ ถ้าตัวเรายังไม่เข้าใจไปบอกอื่นก็ไม่เข้าใจเราบอกเขาว่าโอ้ใน้นอนให้หลับนะตับตาจะได้สบายสบายจะได้ไม่ทุกข์มากคนบอกกันนอนไม่หลับน้องกินชามาหลับเรื่อยๆมันต้องเริ่มต้นจากตัวเราก่อนมันจะเหมือนว่าดูคนอื่นเป็นคนที่ป่วยไขย้ไม่ใช่เราถ้าสังเกตดูกายบ่อยๆนะจะเหมือนกายเนี่ยเป็นคนอื่นไปไม่ใช่เป็นเรานะ จิตกลายเป็นผู้ดูกลายเป็นผู้ป่วยให้เราดูกายคือคนไข้ใจคือผู้ดูแลมันจะเกิดการแยกจิตทาหน้าที่รับรู้รับทรบาบแล้วก็ช่วยเหลือกายมีหน้าที่ป่วยมีหน้าที่เจ็บเนะดูแลคนไข้ไปตัวเราคือคนไข้แต่ใจคือผู้ดูแลมันจะแยกกันอย่างนี้แล้วก็มันจะได้ความรู้มากมายนะความรู้จากตัวเราเนี่ย เราจะเรียนรู้จากตัวเราได้อย่างจริงจังที่สุดเลยใครบอกก็ยังไม่ใช่ต้องกับเรามาเรียนรู้ตัวเราคุณหมอก็ดีคุณพยาบาลก็ดีจะรักษาคนไข้ได้เก่งจะมีความเชี่ยวชาญก็ต้องอาศัยเรียนรู้จากคนไข้นั่นแหละใช่ไหมจึงจะรู้จริงเรียนรู้อาการจากคนไข้เพื่อมาให้เรามีความรู้มากยิ่งขึ้นเพราะนั้นตัวเราคือคนไข้ใจคือคุณหมอ ก็ดูแลกันไปผมก็ใช้ชีวิตแบบนี้ล่ะใจเป็นผู้ดูแลร่างกายเป็นคนไข่ก็ดูแลกันไปนี่ถาว่าตายเราเป็นคนไข้แล้วอยู่ในตัวเราจะได้ดูแลแบบอย่างดีเลยใช่ไหมล่ะที่ดูแลกายเราดีเมื่อเราไปดูแลคน อ, อื่นมันก็ดีเหมือนกันเพราะเป็นกายเหมือนกันไม่ใช่กายเรากายเขามันไม่แบ่งแยกกายเรากายเขาก็กายเน่าเหมือนกัน ก็ต้องดูแลแบบสม่ำเสมอมีความเมตตา ม, มีความกรุณามันเป็นเองเป็นคุณธรรมที่เกิดขึ้นในจิตใจเองเริ่มต้นจากการดูแลตัวเราเรื่องของร่างกายนะมีมากกว่านี้ถ้าพูดมากแล้วก็จะเมื่อยมาก <c oughs> ถ้าจะขยับตัวก็มีสติขยับตัวได้ไม่เป็นไรนั่นแหเป็นการฝึกสติให้รู้จักตัวเรามากยิ่งขึ้นแต่ปัญหาสาคัญไม่ใช่ที่ร่างกายอยู่ที่จิตใจ ใจเนี่ยตัวปัญหาเลยนะตัวพาพระให้กับชีวิตคือเรื่องจิตใจไม่ใช่รังเกียจแต่รู้ความจริงไม่ได้มองตัวเราในแง่ล้ายแต่มองตัวเราในแง่ความเป็นจริงมองตัวเราในแง่ดีมันก็ไม่ใช่เพราะตัวเราหาดีไม่ได้ <c oughs> มองตัวเราในแง่ล้ายมันก็ไม่ถูกต้องมองในแง่ความเป็นจริงโอ้กายจิตเนี่ยมันคือก้อนแห่งทุกข์มันคือ ที่ตั้งแห่งความทุกข์คนเราไม่มีความทุกข์เกินทุกข์กายกับทุกข์ใจหรอกสาคัญที่ใจใจมันเกิดปัญหาตอนที่มันคิดเนี่ยดูไหมเมื่อใจไม่คิดเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะเพอใจเริ่มคิดปับ๊บเอาล่ะมันเริ่มมีการขยับตัวของความคิดแล้วมันเริ่มมีปัญหาปัญหาคืออะไรคือเราขาดสติพอมันเกิดความคิดปับ๊บจิตเราไม่มีที่เกาะ มันก็เข้าไปไห ล, ลวรวมว่าความคิดทันทีเลยตัวเราอยู่ในความคิดทันทีเลยโอ้เราเป็นคู่คิดถ้ามันคิดดีก็ดีไปแต่คิดไม่ดีเนี่ยมันเป็นเราไม่ดีไปด้วยตัวตนอยู่ในความคิดมากมายถ้าไม่มีความคิดตัวตนไม่มีตัวเราไม่เกิดแต่จำเป็นต้องคิดเพราะงานการต้องใช้ความคิดแต่ถ้ามีสติรู้ทันเนี่ยมันแยก นอกจากแยกจิตออกจากกายแล้วสติสามารถแยกจิตออกจากอารมณ์ออกจากความคิดถ้าขาสติจิตมันเกิดภูมิแพ้ภูมิแพ้ทางกายเนี่ยมันก็มีมากมายใช่ไหมแพ้ฝุนละอองแพ้เกสรไม้แพ้อาหารสารพัดอย่างแต่ภูมิแพ้ทางจิตเนี่ยมันก็รุนแรงเหมือนกันนะจิตแพ้อะไรจิตแพ้อารมณ์พอเจออารมณ์รักมาก่อนรักตัวนู้ตัวเลย เลืนเนื้อเลืล่ลตัวพอเจออารมณ์โกรธก็โกรธสุดเวียงเหมือนกันฆ <c oughs> ่าคนได้ทั้งโลกเ <c> พ <oughs> ื่อภูมิแพ้อารมณ <c oughs> ์่งเป็นโรคนี้ไม่มีใครรักษาได้นอกจากธรรมะของพุทธเจ้ารักษาจิตให้มีภูมิต้านทานไม่ให้แพ้อารมณ์ได้แล้วคนที่กายป่วยแล้วใจก็ต้องคิดปรุงแต่งตรงนี้คือปัญหาคือใจที่ป่วยเฉ พ, เ พ, เพาะคิดปรุงแต่งสรพัดอย่างวันทีก็หงุดหงิด อัดขัดเครื่องคนที่กายไม่ป่วยแต่ใจก็ป่วยได้เหมือนกันก็ตอนที่ว่าคิดปรุงแต่งคิดรักคิดโกรธซึมเศร้าฟุ้งซ่านสงสัยหุดหงิดวิตกกังวลหวาปรแวงอิดฉาริษยาถึงัว น, น้อยเนื้อต่ำใจอัอเนี้ยเป็นเรื่องโรคทางจิตทางนั้นแะจิตป่วยทางนั้น เรียว่าโรคทางจิตวิญญาณโรคทางจิตวิญญาณนี่สร้างปัญหามากและโรคทางจิตวิญญาณที่ไม่ปกติเนี่ยมันทําให้ร่างกายเนี่ยมีโรคอื่นแทรกอีกมากมายเลยนะโรคมะเร็งโรคหัวใจไมเกรนเบาหวานน้ําตาลขึ้นโอ้เรื่องจิตไม่ปกติทั้งนั้นอนะโรคเนี้ยต้องอาศัยธรรมโอสถรักษา โรคทางกายก็ยกให้คุณหมอโรคทางจิตก็ต้องธรรมะธรรมะต้องศึกษาแล้วก็แก้ปัญหาตัวเองธรรมะจะช่วยเราไม่ได้นอกจากเรานำเอามาแก้ปัญหาใจเราเมื่อมีสติรู้ทันจิตที่มันคิดปรุงแต่งพอรู้ทันจิตคิดปรุงแต่งปั๊บไอ้จิตที่มันคิดปรุงแต่งมันก็จะดับดับลงไปเลยถ้ารู้ทันนะถ้ารู้ไม่ทันเราก็เข้าไปคิด ข้ามวันข้ามคืนนอนไม่หลับเพราะเราไม่รู้ทันจิตใจเราเราเข้าไปคิดใช่ไหมลนะ่ะก่อนจะนอนก็มีเรื่องอามาคิดลงแต่งก็นอนไม่หลับแต่ถ้าเกิดสติเมื่อไหร่ล้วก็ความคิดนั่นก็จะดับลงไปเมื่อความคิดดับจิตมันก็เบาว่างมีแต่สติปัญญาตรงนี้ละ่ะจิตจะมีความสุขมีความผ่อนคลายมีความไม่ทุกข์วนเราไม่ผ่อนคลายเพราะความคิดเราไปพักผ่อนที่อ่ต่าง เราพักแต่กายแต่ใจไม่ได้พักเราคิดเรื่องงานคิดเรื่องบ้านคิดเรื่องครอบครัวสรารพัดอย่างพักแต่กายใจไม่พักแต่ถ้ามีสติ ด, ด้วยเราพักทั้งกายทั้งใจเลยอยู่กับปัจจุบันสถานที่นั้นก็ได้พักใจด้วยสติจะรู้ทันจิตที่มันคิดพอรู้ทันปับ๊บพอความคิดดับไปจิตมันก็ว่างเบาสบายมีแต่สติปัญญาไว้แก้ปัญหาไว้คิดในสิ่งที่จําเป็นจะต้องคิดไม่คิดฟุ้งซ่าน ถ้ามันเป็นความสุขขณะปฏิบัติหน้าที่ก็ทําอย่างนี้ได้นะฝึกดูใจบ่อยๆรู้สึกกับจิตใจเราบ่อยๆรู้บ่อยๆเนี่ยมันจะทันอารมณ์ตัวเองมันจะฉลาดในความคิดฉลาดในอารมณ์ทั้งอารมณ์เราแล้วก็อารมณ์ผู้อื่นด้วยเราจะไม่คิดจะไปแก้ปัญหาอารมณ์คนอื่นแต่จะเข้าใจอารมณ์อื่นอ๋อเป็นธรรมดาของเขาอย่างนั้นเองใจเราก็จะไม่เป็นทุกข์ใช่ไหมตัวตนจะน้อยลงอีกตรงที่เรารู้ทันอารมณ์ตัวเอง ตัวตนน้ลงเพระตัวตนน้อยลงก็ทุกขมันก็น้อยลงไปเพราะตัวตนเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยเพียงฝึกสติกับตัวเราแล้วก็ไปบอกกับคนอื่นคนไข้เนี่ยทําให้ช่วยใจเขาหายป่วยได้ช่วยใจหายป่วยได้ใจเป็นปกติฐานจะมีความสุขจิตที่เบิกบานในท่ามกลางร่างกายที่มีความป่วยไข้ก็ได้เพราะใจเลือกได้ร่างกายเลือกไม่ได้ ร่างกายให้หมอรักษาจิตใจก็ธรรมะดูแลแค่คิดเอาเนี่ยมันยังไม่จบนะอย่างเช่นบอกว่าไอ้ความป่วยไข้เป็นเรื่องธรรมดาดีละมันป่วยไข้เราจะได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวการป่วยไข้ทำให้เราได้มาทบทวนตัวเองว่าสิ่งที่เราใช้ชีวิตผ่านมาอาจจะไม่ถูกต้องอาจจะพักผ่อนน้อยเกินไปทานอาหารไม่ถูกต้องไม่ไดออกกาลังกายไม่ดูแลตัวเรา มันเป็นความคิดเพื่อให้กำลังใจนิดหน่อยซะนะเป็นการตั้งหลักแก้สถานการณ์ในตอนนั้นแต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยใจเราเป็นทุกข์เลยนะพอมันเจอขึ้นกับตัวเราปั๊บเนี่ยเราเริ่มมีปัญหาบางทียังไม่ไั้เจอกับตัวเราเลยเจอแต่คนข้างๆคนที่เรารักเขาป่วยไค่เราก็ทำใจไม่ได้คุณหมอมักจะไม่ค่อยรักษาลูกตัวเองลาลูกป่วยทาใจไม่ได้หรือรักษา แล้วก็ที่ไปที่ภูเก็ตมาเนี่ยมีประสบการณ์มีท่านผู้ในการท่านหนึ่งท่านเป็นอดีตนะอยู่ผู้ในการอยู่ที่โรงพยาบาลป่าตองท่านสนใจธรรมะท่านรู้เรื่องธรรมะมากมายท่านก็เห็นเรื่องความอ่วยไข้ไปเรื่ธรรมดาความตายความพัดลากแต่วันหนึ่งรูปของท่านเนี่ยจะต้องมีโรคปายกระเจ็บปวยอยู่นานแล้วก็ต้องตายจากไป คุณหมอบอกว่าแมไอ้ผมก็คิดว่าทําใจได้แล้วเพราะมันเกิดขึ้นกับตัวเราเองเนี่ยมันทาใจไม่ได้จริงซึ่งในความป่วยไข่ยอยู่ใกล้ๆตัวเรานะเราก็ดูแลกันทุกวันแต่พอมาเจอคนที่เรารักเจอคนที่เรารักเขาเราทําใจไม่ได้ได้แค่รู้จำรู้จักยังไม่รู้แจ้งเข้าไปถึงใจเราได้แต่าทาใจไม่ได้บอกอื่นบอกได้ บอกตัวเราบอกได้แต่บอกตัวเราไม่ค่อยฟังแต่บอกคนอื่นอยากให้เขาฟังฝ <c oughs> ึกสติในชีวิตประจำวันให้รู้เท่าทันจิตตัณใจตัวเองให้รู้ความจริงของกายของจิตเนี่ยมันจะได้ลาออกจากความทุกข์ลาออกจากความป่วยไขย้ลาออกทานจิตใจร่างกายมันลาไม่ได้หรอกเดี๋ยวเราไม่ลามันมันก็ลาไปเองแะ จุดท้ายของร่างกายคือที่เมนคือที่หลุม <c oughs> จุดท้ายของจิตคือความไม่ทุกข์ในธรรมะเรียกว่านิพานความไม่ทุกข์นิพานอย่ามองไกลนิพานอยู่ในอกในใจเราอยู่เนื้อที่ตัวเราเมื่อใดที่จิตใจเราเนี่ยเย็นอกเย็นใจใจเราก็เป็นนิพานเมื่อ น, นั้นความเย็นอกเย็นใจความสบายใจคือนิพานชั่วขณะหนึ่ง เราสามารถมีนิพพานได้นในใจนั้นได้ตลอดเวลาเมื่อเรามีความเย็นอกเย็นใจนั่นจะรอต่อตายแล้วตายแล้วไม่ถึงตายแล้วไม่ถึงแต่นี่แหละปัจจุบันเนี่ยถึงได้มีความเย็นอกเย็นใจในท่ามกลางร่างกายที่ป่วยไขย้มีความเย็นอกเย็นใจในขณะทำหน้าที่มีความเย็นอกเย็นใจเมื่อเผชิญกับปัญหาปัญหามันอยู่ข้างนอก ความป่วยไข่อยู่ข้างนอกความเย็น อ, อกเย็นใจอยู่ข้างจิตใจเราเองเราเลือกได้ฝึกสติในชีวิตประจำวันจะเดินไปไหนก็ให้รู้สึกตัวจะขยับไปเลี้ยงเคลื่อนไหวในยาบท ย, ย่อยก็ให้รู้สึกตัวให้รู้ตัวทั่วพร้อมไว้ทํางานาให้รู้สึกตัวเวลาใจมันคิดกรธก็ให้มีสติรู้สึกรู้เท่าทันเวลาใจิตใจมันฟุ้งซ่านวุ่นวายก็ให้รู้เท่าทันมัน เวลาจิตใจมันเกิดความสุขก็ให้รู้ทันให้รู้แบบเป็นผู้ดูให้รู้แบบเป็นผู้ดูอย่าเข้าไปเป็นกับอารมณ์มันแยกแยกกิจออกจากอารมณ์แยกเกี่ยวจากความป่วยไข้าทางร่างกายฝึกบ่อยๆในชีวิตประจาวันทุกอย่างทุกเรื่องเนี่ยสามารถฝึกสติได้เนี่ยผมเองนี่ก่อนที่จะพิการอย่างเงี้ยก่อนจะเปลี่ยนจุดยืนยนะนะ <c oughs> ความเปลี่ยนจุดยืนเนี่ยโอ้ ชีวิตเนี่ยคิดว่าเราเนี่ยคงจะไม่ทุกข์หรอกคงจะประสบผลสำเร็จชีวิตแล้วเลี้ยงกระจบแล้วทํางานด้วยแล้วก็ต่อไปก็จะบวชจะมีครอบครัวสละพัดวาดอนาคตไปล่วงหน้าเนี่ยสดใสามากแต่วันหนึ่งต้องมาหยุดสภาพอย่างเนี้ยมันก็ยากที่จะทําใจยากที่จะทำใจเพราะเราไม่ยอมรับความจริงว่าสภาพร่างกายเราเป็นอย่างนี้ไม่ยอมรับความจริงคุณหมอ จะพูดว่าเราเป็นยังไงเราไม่ฟังหูมันอื้บมาแล้วฟังเราไม่รู้เรื่องแล้วไม่อยอมรับความจริงก็วันหนึ่งคุณหมอธนินเนี่ยสั่งรถเข็นมาให้เราโอมันเหมือนอะไรเหมืนอนไปจะคาบเลยเหมือนตัดสินว่าเราต้องพิการตลอดชีวิตสั่งรถเข็นมาเรารู้เลยว่อ๋อชีวิตเราเนี่ยต้องอยู่บนรถเข็นตลอดชีวิตเนี่ยก็เลยเศร้ามองก็มาเปลี่ยนชีวิตใหม่โดยการมาสนใจธรรมะมาฝึกเจริญสติ เปิสติเพื่อจะมาดูตัวเราให้รู้ความจริงก็เกิดปัญญารู้ความจริงของกายของใจลาออกจากความพิการท่านจิตใจนะจิตใจเราออกนะเมืาก่อนกายพิการใจก็พิการกายป่วยใจก็ป่วยพอตุสติแล้วเนี่ยโอ้มันจิตมันไม่ป่วยจิตไม่พิการลาออกจากความพิการเลยไม่ต้องเขียนเวลาลาเอง กายพิการใจไม่ทุกข์โอ้เนี่ยมันลาออกแหะก็เลยมีความรู้สึกว่าคนพิการไม่มีความพิการไม่มีมันมีแต่ความไม่สะดวกเพราะความไม่สะดวกนี่มันจริงเนี่ยต้องมีคนชื่วยเหลือมากมายไม่มีคนพิการไม่มีความพิการมองใครก็ไม่ใช่คนพิการมองเพียงแต่ว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีความสะดวกเท่านั้นเองไม่มีความสะดวกไม่ใช่ว่าจะไม่มีความสบาย ไม่มีความสะดวกมันก็มีความสบายในความไม่สะดวกความไม่สะดวกเป็นเรื่องของร่างกายภายนอกแต่ความสบายใจเราก็จิตใจนี่ไปประสบการณ์เนี่ยมาในชมรมเนี่ยมาด้วยกันเนี่ยไม่ใช่ว่าผมป่วยคนเดียวนะเนี่ยคุณวิระข็่รถไปมานั่นกายพิการแต่ใจก็ไม่พิการด้วยกายป่วยแต่ใจไม่ป่วยอ่ะแล้วเนี่ยคุณสีหน้าประธานชมรมนั้นก็กายป่วยนะ นั่นเป็นโรคมะเร็งแต่ใจเนี่ยไม่ป่วยชมรมผมเนี่ยเป็นชมรมคนแกล้งป่วยคนแกล้งแกเป็นชมรมที่คนแกล้อย่งนั้นอ่ะ <c oughs> มันไม่เกี่ยวกับจิตใจนะใจเราสามารถเลือกได้กายเลือกไม่ได้ใจเลือกได้ใจเลือกไม่ทุกข์ก็ได้เพราะฉะนั้นชีวิตเราเนี่ยมีสองอย่างประกอบกันมีเรื่องของกายกับเรื่องของจิตประกอบกันแล้วก็สำคัญที่จิตใจด้วย สำคัญที่ใจถ้าใจดีแล้วเนี่ยมันดูแลร่างกายให้ดีได้สาคัญที่ใจเป็นหลักบอกว่กายเลือกไม่ได้แต่จใจเลือกได้งั้นถ้าหากว่าใครก็ตามที่ยังมีความป่วยทางด้านจิตใจอยู่หรือป่วยด้านร่างกายอยู่ก็ไม่เป็นไรหรอกถ้าป่วยทางกายก็รักษากันให้เต็มที่ไปเลยตามความสามารถรักษาให้เต็มที่ แล้วก็ทำใจไว้เดียว่ามันหายก็หายไม่หายก็ไม่เป็นไรมีทางเลือกคือหายก็หายไม่หายก็ไม่เป็นไรมันเลือกแล้วนะสองอย่างเนี่ยหายก็หายไม่หายก็ไม่เป็นไรแต่อย่าลืมรักษาจิตใจหันมาดูแลจิตใจบ้างถ้ารักตัวเราต้องดูแลจิตใจด้วยการฝึกกริญสติเมื่อมีสติแล้วเนี่ยมันจะมีสมาธิเป็นของแถม และใจก็จะสงบมีสติแล่าใจจะมีสมาธิและใจก็สงบไปเองใจที่สงบเนี่ยเป็นใจที่ไม่ทุกข์ถ้าฝึกสติบ่อยๆสติเนี่ยจะทำหน้าที่ดึงจิต ด, ดึงใจไม่พลัดหลงไปในความทุกข์ของหน้านล่างกายความแก่ความเจ็บความตายเป็นต้นถ้าฝึกโดยช้านานถึงที่สุดแล้วเนี่ย มันจะรู้ความจริงว่าโอ้ยความป่วยไขย้ความแก่ความตายเป็นธรรมดาของชีวิตความกังวลใจความทุกข์ใจก็จะไม่เกิดขึ้นอันนี้เรียกว่ากายป่วยแต่ใจไม่ป่วยดังนั้นก็ขอเป็นกําลังใจขอเป็นกําลังใจสำหรับคนที่ป่วยกายแล้วก็ป่วยใจหรือคนที่ป่วยทั้งกายทั้งใจขอให้มีสติมีสัมปชัญญะ รักษากาย ห, หายป่วยรักษาใจหายหทุกข์แล้วก็มีความสุขด้วยกันทุกท่านทุกคนเถอ